จอทีวีขนาดใหญ่และ w i ไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร0 92 318 9887หรือที่แฟนเพจ RMU TT Innovation and Knowledge Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้นวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปกับค r a เจอร์ t r a เวลโดยดรวิภาวีวีรวงศ์ดรสอนชัยบุตรแก้วและอาจารย์พี่พัฒนพงศ์วัฒนกัลยากุณที่นี่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรต โฟเจทรเวลช่วงรู้ก่อนเที่ยวสนับสนุนโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสถานศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่งระดับประเทศก้าสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการ Culture er Travel ค่ะพบกับดิชันนะคะวิภาวีวรวงและก็คุณออกาสนะคะพิพัฒนพงศ์วัฒนกัลรรยากุณค่ะซึ่งจะอยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่นี่นะคะ FM 89.5 ม้หามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับรายการ c u c h e r e Travel ค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ฟังลองทายดูสิะคะว่าวันนี้รายการของเรานนั้จะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนกันนะคะหรือมีข้อมูลไปที่ไหนมาบอกกันค่ะ <ul most> ในช่วงรู้ก่อนเที่ยวนนะค่ะต้องรู้ก่อนไปเที่ยว น, นะคะ <ul most> ค่ะวันที่20พสพฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าคือวันอะไรเลยคะหลายๆคนนั้นก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะวันที่20่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือวันกองทัพเรือนะ ค, ะ, <ul most> คะนั่นก็เป็นวันที่รากฐานการทหารเรือนั้นได้อย่างลงนั่นเองค่ะ ต้ยยี่สพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นนะคะตามประวัตินะคะก็มีเหตุการณ์รบทางเรือค่ะในวิกฤตรัชนาทีโศลินโศกนะคะหนึ112ค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคมนีคะพฤศจิกาสนสี่รค่ะคุณผู้ฟังคะก็เกิดเหตุการณ์สิ้นสุดนะคะด้วยการที่ไทยนั้นต้องถูกปรับและสูญเสียดินแดนไปบางส่วนค่ะซึ่งนั้นก็เป็นบทเรียนอันมีค่าสําหรับประเทศที่จะต้องเรียบเร่งนะคะและก็ปรับปรุงนะคะในเรื่องของวัตถุและก็บุคลากรค่ะจึงทําให้หลังจากนั้นนะคะในปี วิศวกนาต 2,436 เนี่ยพระบัทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงส่งพระโอรสหลายพระองค์นั้นไปศึกษาวิชาด้านการปกครองค่ะการทาหารบกการทหารเรือ น, นะคะในประเทศทวีบยุโรปค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะคุณผู้ฟังก็เพื่อ น, นําวิชาเหล่านั้นนะคะมาปรับปรุงแก้ไขบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศในโลกค่ะและในโอกาสนี้นะคะพระองค์นั้นก็ได้ส่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภารพรเกตติวงศ์นะคะไปศึกษาในเรื่องของวิชา การทหารเรือนะประเทศอังกฤษกฤเป็นพระองค์แรกนะคะคุณผู้ฟังและพระองค์นั้นนะคะได้ทรงสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษค่ะและเสด็จถึงกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2443นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทรงมีพระมหาการุณาที่คุณปลดกา้าวปลดกระหม่อมพระจักรพรรดิยศเป็นนายเรือโทค่ะก็นับว่าเป็นพระราชโอรสองค์แรกนะคะที่เป็นนายทหารเรือที่ทรงสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์นั้นนะคะได้รับพระราชทานเลื่อนพระอิสริยยศขึ้นนะคะจนถึงนายพลเรือเอกเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองนะคะพระองค์ท่านนั้นนะคะก็ได้ส่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าค่ะที่จะทําให้คนไทยนั้นมีความรู้ความสามารถในกิจาการด้านทหารเรือนะคะพระองค์นั้นนะคะอาจได้เข้ารับรชาชการแทนชาวต่างประเทศนะคะสมตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดานะคะโดยสมบูรณ์ค่ะและเกียรติคุณ ของพระองค์ท่านนะคะก็ได้รับพระเกียรตินะคะในเรื่องของพระองค์นั้นทรงมีความบากบั่นค่ะการก่อสร้างกองทัพเรือไทยให้แข็งแต่งขึ้นนะคะจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งค่ะที่พระองค์นั้นได้รับการขนานนามจากกองทัพเรือในรัชกาลปัจจุบันนะคะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ว่าบิดาแห่งกองทัพเรือไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟงัง และเมื่อปีพุศักรา 2,411 นะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญค่ะก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนานายเรือขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในสมัยต่อมาก็เรียกกันว่าโรงเรียนทหารเรือค่ะก็มีความมุ่งหมายว่าผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่านี้แล้วนะคะก็ยอมเดินพัชทานยศเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรนั่นเองค่ะ ยังไม่หมดขนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก็้าเจ้อยู่หัวนั้นนะคะก็ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือนะคะโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนนายเรือรัตนโกสินทร์ศกนะคะหนึนะคะและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนะคะลายพระราชหัตถทะเลขาไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือแห่งนี้ด้วยนะคะข้อความนะคะก็คือวันที่20พฤศจิกายนรัตนโกสินทร์ศก1 2ึ่งราเหล่าจุฬาลงกรณ์ได้มาเปิดโรงเรียน นี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการาหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสือไปในภายหน้านะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยพระราชหัตถเลขาฯนี้เองนะคะวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีค่ะก็ถือว่าเป็นวันรากฐานการทหารเรือได้อย่างลงแล้วนะคะทางการทหารเรือนะคะจึงถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันกองทัพเรือจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ การกำเนิดกองทัพเรือนะคะการกำเนิดกองทัพเรือนั้นก็มีควบคู่กับการสร้างอาณาจักรไทยมาตั้งแต่กรุงสุโข์ัทยเป็นราชชานีเลยนะคะคุณผู้ฟังกองทัพไทยในสมัยนั้นนะคะก็มีเพียงทหารเหล่าเดียวค่ะไม่ได้แบ่งแยกออกเป็นกองทัพบกทัพเรือและกองทัพอากาศนะคะอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันค่ะก็หากเราญาตตาทัพไปทางบกก็จะเรียกว่าทัพบกนะคะหากญาตตาทัพไปทางเรือก็จะเรียกว่าทัพเรือค่ะการจัดระเบียบการปกครองบังคับบัญชากองทัพไทยในยามปกติในการึือก็สมัยนั้นนั้นก็ไม่ได้มี มีแบบแผนที่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังในยามศึกสงครามนะคะก็ได้ใช้ทหารทัพ บ, บกและทัพเรือรวมๆกันไปนั่นเองนะคะและสำหรับเรือรบนั้นนะคะก็ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกนั้นนะคะก็คือเรือรบในแม่น้ำค่ะคุณผู้ฟัง ประวัติความเป็นมานะคะก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วค่ะภายหลังจากสมเด็จเจ้าพระชายราชาธิราชนะคะก็พระองค์นั้นทรงยกกองทัพไปตีเมืองเชียงกรานนะคะซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยคืนจากพม่าในปีพุทธศักราช2081นะคะคุณผู้ฟังต่อจากนั้นเนี่ยไทยก็ได้ทําการทําศึกสงครามกับพม่าค่ะทํามาโดยตลอดเลยนะคะเรือรบในแม่น้ําสมัยนี้ก็จะมีบทบาทสําคัญนะคะในการเป็นทหารนะในการทําศึกสงครามมากกว่าเรือรบในทางทะเลนั่นเองค่ะและเรือรบในแม่ น้ำ น, นั้นนะคะก็เริ่มต้นมาจากเรือพายค่ะคุณผู้ฟังเรือพายหรือว่าเรือแจออกมาก่อนนะคะเท่าที่พบหลักฐานไทยเนี่ยก็ได้ใช้เรือรบประเภทเรือแสค่ะเป็นยังไงไม่รู้ไหมคะก็เป็นเรือรบในแม่น้านั่นเองค่ะเพื่อใช้ในการลำเลียงทหารและสเสบียงอาหารนะคะโดยใช้พายถึง20พายนะคะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนให้นั้นเรือลันแลมไปนั่นเองค่ะ ก็มีเรือรบในแม่น้ําแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเรือรบในทะเลค่ะสําหรับเรือรบในทะเลในสมัยแรกๆนั้นนะคะก็ยังไม่มีบทบาทสําคัญในการเป็นผานะเท่าเรือรบในแม่น้ํามากคุณผู้ฟังเนื่องจากอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าลักษณะที่ตั้งของราชธานีนั้นอยู่ไกลปากแม่น้ําเจ้าพยาค่ะความจําเป็นในการใช้เรือเนี่ยจึงมีน้อยกว่าในยามปกตินะคะก็เป็นการนําเอาเรือที่ใช้ในทะเลเนี่ยมาเป็นผานะในการบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายยังหัวเมืองชายทะเลต่างๆนั่นเองค่ะและประเทศข้างเคียงด้วยนะคะก็สามารถใช้ ้เรือรบชายทะเลไปได้ค่ะและเมื่อบ้านเมืองมีศึกสงครามนะคะก็นำเรือเหล่านี้มาติดอาวุธเพื่อใช้ในการทำสงครามนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง และที่สําคัญนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้นก็เป็นประเพณีหรือพิธีการหรือรูปแบบที่ได้รับการปฏิบัตินะคะที่ได้รับการปฏิบัติซืบมานะคะต่อช่วงกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณเลยแหละค่ะก็ด้วยเหตุผลนะคะก็ในแง่ของความรู้สึกค่ะหรือไม่ก็ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการรวมกันนะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันค่ะขนบประเพณธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือเนี่ยก็นับว่าแพร่หลายไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะมีกองทัพเรือบางอย่างก็ ต้เปียนลายลัอักษรนะคะบางอย่างก็ไม่มีค่ะหรือว่าขนดพรนธ์เดิมประเพณีทหารนั้นอาจไม่มีผลในทางกฎหมายแต่ก็เป็นที่ทราบและปฏิบัติกันมาในทุกๆชาติพันธุ์นะคะก็จะมีประเพณีของตนเองค่ะอาจไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นก็มีความคล้ายคลึงกันค่ะบางชาตินั้นนะคะก็อาจรับมาจากอีกชาติหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการดัดแปลงบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสมกับชาติของตนเองนั่นเองค่ะและสําหรับราชนาวีไทยนั้นนะคะก็ได้ถือเอาแบบอย่างราชนาวีอังกฤษนะคะเป็นหลักค่ะ ถึงแม้จะมีประเพณีอีกเป็นอันมากมายนะคะที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการก็ตามแต่เชื่อว่าทหารเรือของหลายประเทศทั้งหลายเนี่ยก็คงไม่ยอมให้ประเพณีเหล่านี้เปลี่ยนไปนะคะหรือว่าทอดทิ้งละเลยให้สูญหายไปค่ะก็เป็นหน้าที่ของทหารเรือรุ่นหลังๆทุกคนนะคะที่ต้องพยายามศึกษาให้รู้และก็ปฏิบัติตามค่ะการที่จะเป็นผู้มีวินัยที่ดีเนี่ยก็ย่อมต้องเกิดจากการปฏิบัติตามแผนที่ดีในฮา ค, คุณผู้ฟงังและแบบแผนธรำเนียมประเพณีที่ดีเนี่ยก็จะคงอยู่ต่อไปด้วยการร่วมมือปฏิบัติตทุกคน มัน่าจะเป็นเรื่องของนายทหารนะคะและทหารโดยโดยเฉพาะทหารนะคะก็ควรเป็นผู้ลงมือก่อนค่ะและยุทธการต่างๆนะคะที่สำคัญของนายวิกโยธินกองทัพเรือนะคะก็มีนายยุทธการสามชัยนะคะก็เกิดขึ้นในปลายปีพุทธศักราช2515ถึงต้นปีพุทธศักราช2516นะคะยุทธการนี้ก็มีการปัด ปฏิบัติการจริงค่ะที่แฝงมาในะคำว่าฝึกนะคะมีชื่อเป็นทางการว่าการฝึกร่วม16นะคะเป็นการปรับตามในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณรอยต่อสามจังหวัดนะคะก็คือเพชรบูรณ์พิษณุโลกและเลยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะยุทธการ ผาภูมินะคะยุทธการนี้ค่ะเป็นหลังฝึกร่วมพฤษภาคมพันห้าร้อยสนะคะเป็นการฝึกตามแผนยุทธการ3มชายที่ภูหินล่องกล้าเลคะอ่าก็มีการฝึกนะคะโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยได้มีคําสั่งให้มีการฝึกร่วมในพฤษภาคมพันห้าร้อยสนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะตามแผนยุทธศาสตร์กองการผาภูมินะคะเพื่อปราบปางในพื้นที่ดอยผาจิตซึ่งเป็นรอยต่อของเชียงรายและหน่านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะยุทธการกรุงชิงค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อพฤษภาค2520นะคะเมื่อกองทัพบกพิจารณาว่านาวิกโยทินนั้นสามารถปฏิบัติการบนบกได้ดีนะคะจึงได้มีการพิจารณาจัดนาวิกโยทินไปปฏิบัติการปราบปรามในพื้นที่กองทัพภาค4ี่นะคะเป็นหน่วยเฉพาะกิจทักสินนั่นเองนะคะและนี่ค่ะก็คือความเป็นมาของวันกองทัพเรือ น, นะคะและด้วยเหตุผลว่าทําไมวันกองทัพเรือนั้นจึงตรงกับวันที่20พฤศจิกายนของทุก ป, ปีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะในช่วงรู้ก่อนเที่ยวนะคะ ก็เป็นจากเว็บไซต์ของกองทัพเรือนะคะและเว็บไซต์ของการจัดตั้งโรงเรียนในเรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้อยู่หัวนั่นเองนะคะและก็ข้อมูลจากนะคะวิกิพีเดียนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะในช่วงรู้ก่อนเที่ยวนะคะช่วงต่อไปค่นรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเลยนะคะคุณอากัสนั้นจะพาไปจังหวัดนะคะที่มีกองทัพเรือเป็นเรื่องของนาวิกโยธินค่ะรับรองนะคะเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามด้วยนะคะในช่วงวัฒนธรรมพาเพลินค่ะสำหรับช่วงนี้ขอผักสักครู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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจนถึงสุกโทร 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th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 พร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา1 2บสนิกาถึงนกาที่ชั้นสาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีจังหวัดปฐุมธา น, นีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย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 culture travel ช่วงวัฒนธรรมผาเพลินสนับสนุนโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถานศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่งระดับประเทศก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากลสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ culture travel ในช่วงที่2กับช่วงวัฒนธรรมผาเพลิน ซึ่งออกอากาศทาง FM 89.5 มหาวิทยาลัยมีราชุมคลชัญบุรีซึ่งเจอกับผมครับออกัสพิพัฒนพงศ์วัฒนกัลยาคุณรับหน้าที่ต่อจากพี่โบที่จะพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของแหล่งนั้นครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับอกากาศพาท่านผู้ฟังเดินทางมาที่อำเภอสัตหีบเชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักหรือว่าชื่อเสียงของเมืองที่ได้มีชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรือนั่นเองครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและเชิงอนุรักษ์ให้เราได้ท่องเที่ยวอย่างมากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญสัตหีบนั้นก็คือเดินทางมาง่ายมากและก็ไม่เพียงกี่ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครเท่านั้น ท่านผู้ฟังนะครับก็จะได้พบกับบรรยากาศและความเป็นเมืองที่ดูเป็นมิตรและพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวเสมอสติหีบจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ออกกาพาท่านผู้ฟังเดินทางมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้กันครับ สำหรับสถานที่แรกที่เราจะพาไปท่องเที่ยวในสัตหีบนั่นก็คือเรือรบจา ก, กรีนฤเบศซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งนะครับว่าถ้าสมมติว่ามาเที่ยวสัตหีบเนี่ยไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะว่าจะมีป้ายบอกการเดินทางในตลอดทุกเส้นทางครับ เรือหลวงจา ก, กีนารเบดนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา9ก้นาิกาถึงเวลา17บเนาฬกาอนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่งดบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยนะครับถ้าใครอยากจะเยี่ยมชมเรือแล้วสะพายกระเป๋าแบกเป้มาจะไม่สามารถนําเข้าไปได้จะต้องฝากไว้บริเวณข้างหน้าซึ่งทางกองทัพเรืองดนํากระเป๋าแบกเป้ทุกชนิดนะครับเข้าไปในเรือด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภยัยแต่ถ้าเป็นกระเป๋าถือธรรมดาหรือกระเป๋าสะพายข้าง ก็สามารถที่จะนำเข้าไปได้ซึ่งเรือรบจากกีนาร์เบตถือว่าเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในกองทัพเรือไทยเป็นเรือฐานปฏิบัติการคุ้มครองประโยชน์ของชาติทางทะเลช่วยเหลือผู้ประสบภัยแ ล, และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลภารกิจที่สำคัญในยามสงครามทําหน้าที่เป็นเรือธงควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลทั้งหมด และยังเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศอีกด้วยชื่อของเรือได้รับพระทานว่าจักกีนรูรเบตหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักกีหากท่านผู้ฟังได้เดินทางมาเยี่ยมเรือหลวงจักกีนรูรเบตแล้วก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ายิ่งใหญ่สมชื่อจริงๆครับซึ่งนะครับก็มีประวัติดังต่อไปนี้ครับ ในปีพุทธศักราช2532ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นเกในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชุมพรกองทัพเรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลซึ่งทางกองทัพได้ใช้เรือและอากาศยานในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ประสบปัญหาคือเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่กองทัพเรือมีอยู่ในขณะนั้นไม่สามารถทนสภาพทะเลได้ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระทำได้ด้วยความยากลำบาก การมีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจะสามารถใช้ในการค้นหาและในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและทันการและหากว่ามีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือก็จะช่วยขยายพื้นที่ในการลาดตระเวนและระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกองทัพเรือจึงได้มีแนวความคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมาย เดิมรัฐบาลไทยได้วางแผนการจัดซื้อเรือบรรชาการสนับสนุนการยกคนขึ้นบกขนาดระวาน 7,800 ตันจากบริษัทเบอร์เมอร์วาแคนของเยอรมนีแต่ได้ทำการยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2534และทำการจัดซื้อใหม่จากบริษัทบาสันประเทศสเปนซึ่งเป็นผู้ออกแบบและต่อเรือปรินซีเปรเดอันตูรีย เรือธงของกองทัพสเปนในขนาดนั้นคณะรัฐมนตรีไทยได้มีมติเมื่อ17มีนาคมพุทธศักราช2535อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลลงนามโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลสเปนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,100 ล้านบาท เรือหลวงจากกรีนเรเบตได้เริ่มสร้างขึ้นในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2536ครับและมีการวางกระดูกงูในวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2537ทำพิธีปล่อยเรือลงในน้ำวันที่20มกราคมพุทธศักราช2539โดยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จไปทำพิธี ได้มีการทดลองแล่นเรือตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2539ถึงเดือนมกราคมพุทธศักราช2540ร่วมกับกองทัพเรือสเปนที่โรตาประเทศสเปนรับมอบเรือเรือเครื่อระวางประจำการเมืม่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2540โดยมีพนเรือเอกวิจิตชนานาญการเป็นผู้รับมอบเรือได้รับหมายเลข 911และเดินทางถึงประเทศไทยในต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเรือได้เข้าประจําการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2540ในวันที่9กันยา ย, ายนพุทธศักราช2540าบพระบาทสมเด็จพระบรมมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร ม, มนาถบพิตรเสด็จมาทรงเจิมเรือหลวงจากกีนรเบศเพื่อความเป็นสิริมงคล กองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือมตุกเฮลิอคอปเตอร์ลานี้เพื่อความเป็นสิริมองคลแก่กองทัพเรือและเป็นขวัญกําลังใจแก่กําลังพลประจําเรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อเรือหลวงลํานี้ว่าเรือหลวงจกกัก ร, รีนฤเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จั ก, กรีได้ใช้คําขวัญว่าครองเวหาครองนทีจกกัก ร, รีนฤเบศ เรือหลวงจักกีโนร์เบตขึ้นระวางประจําการสังกักดกองทัพเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โดยมีนาวาเอกสุรศักดิ์พุ่มพวงเป็นผู้บังคับการเรือซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือคนแรกซึ่งภายในเรือของจากกีโนรเบตประกอบไปด้วยห้องต่างๆทั้งส่วนที่ใช้ปฏิบัติงานและห้องพักรวมกว่าหกรห้องโดยมีส่วนหลักๆดังนี้คือสะพานนวลเรือซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติของกองเรือ หอประครับการบินหอควบคุมการจ ร, ราจรทางอากาศห้องอุตุนิยมวิทยาห้องควบคุมดาดฟ้าบินห้องบรรยายสรุปการบินห้องศูนย์ยุทธการและห้องครัวนอกจากนั้นในเรือลำนี้ยังมีโรงพยาบาลในเรือหลวงด้วยมีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นดูแลด้านการสุพิบาลของหน่วยเรือและให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่กาลังพลของเรือและจัด ก, กําลังพลช่วยเหลือหน่วยอื่นๆที่จัดขึ้นในกรณีพิเศษ ห้องพยาบาลประกอบไปด้วยห้องตรวจโรคห้องผ่าตัดห้องเอกซเรย์ห้องธันตกรรมห้องผู้ป่วยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวนสิาเตียงห้องผู้ประสบภัยสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้จำนวน26เตียงซึ่งเรือหลวงจักรีนร์เบดเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ลำแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระวางขับน้ําร้อยสตันสามารถทนต่อขึ้นลมแรงได้ระดับ9ซึ่งขึ้นมีความสูง 13.8 เมตรเลยทีเดียว ซึ่งภารกิจในอดีตของเรือหลวงจากกีนระเบตได้มีภารกิจในเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ครับพายุใต้ฝุ่นชีต้า ในวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2540ได้เกิดพยายุใต้ฝุ่นชิต้าที่จังหวัดชุมพรเรือรลวงจากกีนรุเบยได้ไปยังพื้นที่ประสบภัยและดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ตามตำบลที่ต่างๆเนื่องจากระดับน้ําท่วมสูงจนการช่วยเหลือทางบกไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้โดยการใช้ลิคอปเตอร์จากเรือนำอาหารและน้ําดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ติดอยู่ตามตำบลพื้นที่ต่างๆพยายุใต้ฝุ่นลินดาในวันที่4ถึง7 พฤศิกายนพุทธศักราช2540เรือรลวงจากกินรเบดได้ออกเรือเพื่อให้การช่วยเหลือเรือประมงในทะเลที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นลินดาโดยลาดตะเวนจากสัตหีบไปยังเกาะกูจังหวัดตราจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เหตุการณ์ทกภัยจังหวัดสงขลาเรือหลวงจากกีนาร์เบดออกเรือเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 23-29 พฤศกายนพุทธศักราช2543ซึ่งเรือหลวงจากกีนาร์เบดออกจากท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ และจอดทอดสมอเรือบริเวณเกาะหนูจังหวัดสงขลาโดยรวงจากกินรเบียรได้เริ่มปฏิบัติการโดยใช้การบินตั้งแต่วันที่27พิพฤศจิกายน2543และส่งชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมเรือยางลำเลียงเอาอาหารและสิ่งจะเป็นไปมอบแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนั้นเรือหลวงจกกักรีนอรเบย์ยังได้ปฎิบัติภารกิจทางด้า น, นเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงพนมเปญภัยพิบัติคลื่นสึนามิพฤกราช2547เหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยพฤกราช2553และเหตุการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะเตา่าเมื่อปีพฤกราช2554ครับ ทไหนนะครับที่มีความประสงค์นะครับจะเดินทางไปเยี่ยมชมเรือรบจากกีนอรเบตได้แล้วแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าต้องเดินทางไปจริงๆเพราะบนดาดฟ้าเรือเนี่ยกว้างขวางอลังการดูแล้วเป็นเหมือนเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นถนนทอดยาวไปจนสุดตาเข้าใจได้ว่าเป็นเส้นนะครับสำหรับในการให้เฮลิคอปเตอร์ล่อนขึ้นล่อนลงนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณด้านบนยังมองเห็นของทะเลอย่างสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว ภายในท่าเรือสัตหีบมีเรือหลีกหลายลำด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรือรบหลวงซิมีลานนะครับเรือรบหลวงพุทธเลิศราษณพารัาาายและเรือรบหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครับไปกันบ้างครับสําหรับข้อมูลเรือหลวงจากกีนารเบทหลายท่านนะครับก็คงอยากจะเดินทางไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ชมความยิ่งใหญ่ของเรือแห่งนี้เราใช่ไหมล่ะครับวันนี้อาารย์พี่โบหมดเวลาลงบรรที่เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียคอมและ ไปด้วยกันคอมที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในครั้งนี้สำหรับสดานิโอการและพี่โบราทัา้งทุกฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ Culture Travel สนับสนุนโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งเน้นสร้างนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเป็นนักปฏิบตัติมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานการวิจัยและการพัฒนา